เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนสมัยนั้นผ้าราคาแพงซึ่งเป็นบริขารประจำเสนาสนะเกิดขึ้นแก่สงฆ์กิุททั้งหลายจึงนำเรื่องนี้